จะไม่เหมือนกับคนส่วนมากในเวลานี้พอมีความรู้ความฉลาดขึ้นก็มักจะเอาเปรียบคนอื่นทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นทานองเดียวกับพวกยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์พวกนี้พอมีฤทธิ์เกิดขึ้นทั้งมนุษย์และเทวดาก็พากันเดือดร้อนจนถึงพระนารายณ์ต้องเอาตาลงมาปราบและนอกจากพระนารายณ์แล้วก็ไม่มีใครที่สามารถจะปราบยักษ์ได้แต่อย่าลืมว่าลำพังพระรามองค์เดียว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 อย่าลืมนะครับว่าในรามเกียร์นั้นเป็นวรนนรัดีเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นท่านยกมาเปรียบเทียมให้เข้าใจได้ง่ายเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเรื่องพวกนี้จะมีจริงนะครับซึ่งในปัจจุบันเป็นที่น่าเป็นห่วงอย่างมากสําหรับคนทั่วไปที่กลับไปเอาตัวละครในวรนนรัดีมากราบไหว้บูชาเสมือนว่ามีชีวิตอยู่จริงในทางกุสโลบายนั้นถ้านับถือด้วยคุณธรรมบูชาแล้วยึดเอาคุณธรรมของแต่ละตัวละครนั้นมาประพฤติปฏิบัติ อย่างน้อยก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ถ้าจะให้ดีขอแนะนํานะครับพระอระหันตุเป็นเอตาทัศคะข้าในแต่ละด้านนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและมีคุณสมบัติมีสังฆคุณในความเป็นอริยสงฆ์อยู่จริงถ้าจะเลือกกราบไหว้ใครด้วยคุณสมบัติพิเศษแนะนําให้เอาพระอระหันต์แต่ละองค์มาไว้ยึดเหนียวมาไว้กราบไหว้เป็นสังฆานุสติจะเกิดประโยชน์และเป็นอนิสงฆ์ผลบุญเป็นสมาทิฐิที่ถูกทางปลอดภัยกว่านะครับ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 ขอให้พยายามศึกษาคำว่าวิบากให้เข้าใจอย่างละเอียดและเลือกซึ้งทุกแง่ทุกมุมเพียงแค่นี้เท่านั้นก็จะทำให้ได้ผลดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดได้